วันนี้เป็นวันประชุมกรณีพิเศษในพรรษาที่ผ่านมาอันนี้เป็นเดือนสุดท้ายของเดือนที่เจออ้าพรรษาปี2546ก็ไม่ได้ไปชุมกันเป็นกรณีพิเศษบางปีที่ผ่านมาผมก็ได้ตั้งใจไปชุมกันในระหว่างวันพระ แค่ำสิบาคเป็นอันว่าเดือนหนึ่งไปชมกันรวมทั้งวันพระด้วยก็เป็นเวลา8ครั้งถ้าจะนับวันอุโบสถเข้าไปอีกก็เดือนหนึ่งประมาณ10ครั้งหลังอุโบสถก็มีการพูดอีกครั้งหนึ่งแต่ปีนี้ดูธุระการงานแล้วก็การไปชุมหรือการพูดของผมทุกเช้า ก็เป็นแนวความคิดสําหรับหมู่พวกเพื่อนถ้างว่าผู้ใดจะถือเป็นคติตัวอย่างฟังเพื่อการศึกษาฟังเพื่อประดับความรู้ตั้งใจฟังผมคิดว่าคงจะเกิดปัญญาสําหรับหมู่พกเพื่อนทุกๆองค์ผมก็ถือว่าผมไม่ขาดตกบกพร่องในการแนะนําสั่งสอนถ้าจะพูดแบบพระ บ, บาลีก็ว่าไม่มีกำ ม, มืออยู่ในอาจารย์ผมมีความรู้ความสละมีความ สามารถขนาดไหนผมถ่ายเทให้หมู่พวกเพื่อนทุกๆองค์ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าทำออกไปหรือพูดออกไปแสดงออกไปด้วยความมีเมตตาเป็นหลักอยากจะให้หมู่เพื่อนที่เข้ามาศึกษาได้เข้าอกเข้าใจในแนวทางปฏิบัติของพระตลอดถึงเกรดแนวความคิดต่างๆที่จะเกิดขึ้นแก่จิตใจ ของพวกเราทุกท่านแต่วันนี้ที่ได้ร่วมได้เรียกไปชุมกันก็มีเรื่องเราที่จะต้องพูดก็คือจัวจะออกพรรษาไม่กี่อาทิตย์ผู้ที่พระบวชใหม่ยังไม่ยังไม่เคยออกพรรษาก็ขอให้เตรียมตัวเรียนคำปรณนาเอาไว้่าให้ ขาตัวบกพร่องส่วนองค์ที่จะสวดกระถิน่นขอให้เตรียมตัวเอาไว้เช่นเดียวกันแต่ถึงอย่างไรก็ยังอยู่ประมาณสักหนึ่งเดือนติดจากนี้ไปถ้าจะว่ามากก็มากถ้าจะว่าน้อยก็น้อยถ้าขว่าความไม่พร้อมแล้วมันต้องกว่าน้อยเน่ยถ้าขว่าพร้อมอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องได้พูดกัน อันนี้ก็คือการเป็นการเตือนกันแต่เน้นๆเพื่อความเตรียมพร้อมเพื่อความไม่ประมาทเพื่อความสมบูรณ์แบบในเมื่อถึงวันนั้นนี่ก็จวนจะออกพรรษาถ้าจะว่าไปแล้วยังไม่ถึง3อาทิตย์พอมันล่นเข้ามาอาทิตย์กว่าๆแล้วขอให้หมู่เพื่อนทุกองค์ทั้งพระใหม่ทั้งพระเก่า อยู่ในความสงบให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาให้ตลอดลอดฝั่งแต่สําหรับผมเองผมไม่ได้หนักใจสําหรับหมู่พวกเพื่อนในปีนี้ที่หมูเพื่อนจำพรรษาตั้งแต่เข้าพรรษามาถึงจุดนี้แต่ในอนาคตวันพนุ่งนี้มรืนนี้ผมยังไม่รับรองว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ที่ผ่านมาผมก็เห็นหมูพวกเพื่อนตั้งอกตั้งใจ เต็มความสามารถของใครของเราแต่บางองค์บางท่านผมก็ยังคาดไม่ถึงช่วยซ้ำไปว่าหมูมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติตลอดถึงการอดอาหารของหมู่พวกเพื่อนเห็นแล้วก็หน้าภาคภูมิใจไม่เปล่าประโยชน์ที่ผมแนะนำสั่งสอนถึงผมจะแนะนำสั่งสอนแบบงูงูปลาปลา แต่พวกท่านทั้งหลายก็เป็นผู้ตั้งใจแต่ผมก็คิดว่าไม่ใช่คำแนะนำของผมโดยส่วนเดียวเป็นคำแนะนำเทปหนังสือของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านทั้งหลายไดศึกษาก็เกิดศรัทธาความมุ่งมั่นที่จะต้องฝึกฝนอบรมตนให้เป็นพระที่ดีในขณะที่บวชตั้งใจที่ดีในขณะที่เป็นพระ แต่สําหรับผมที่เป็นหัวหน้าที่หมูยกย่องว่าเป็นอาจารย์ของหมูพกเพื่อนผมเห็นแล้วก็เป็นที่พอใจสําหรับการกระทำหรือว่การประพฤติปฏิบัติของหมูพกเพื่อนแต่ถึงยังไงก็ตามการกระทาของหมูพกเพื่อนทุกองค์ไม่ใช่ว่าจะมีจบเพียงเท่านี้ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านว่า เราควรพิจารณาหนึ่งืองว่าพุงามความดีของเราที่เราจะต้องทําไม่ใช่มีเพียงเท่านี้ยังจะมีอีกให้เข้าไปยังไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ต้องมีอีกอันนี้เราขึ้นระดับหนึ่งเหมือนกับเราเดินทางไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วไปถึงจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ว่าข้าพเจ้าทําเต็มที่และหยุดเต็มที่แล้ ว, มลวไม่ใช่อย่างนั้น เราจะต้องพยายามให้เดินให้มากกว่านั้นจนถึงจุดหมายปลายทางอันนั้นคือจุดจบรวงถึงที่สถานที่พักผ่อนและเป็นที่หมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่นี้เมื่อเรายังไม่ถึงจุดนั้นเราจะว่าเราทําความพากเพียรเต็มที่แล้วยังพูดยังไม่ได้ความดีของเราจะต้องทําให้ขึ้นไปอีกยังมีอยู่ไม่ใช่มีเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นเราต้องคิดไปอยู่เสมอว่าความดีของเราเนี่ย ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้เท่านั้นเราจะต้องทำให้ดีขึ้นทั้งกายทั้งวาจาและทางใจด้วยไปทั้งสามอย่างแต่สรุปแล้วคือคือทางใจนั้นเป็นหลักถ้าใจเป็นใจใจเป็นผู้นำที่ดีแล้วกายวาจาก็เดินตามแต่ว่าใจของเราช่วยชาลามกแล้วกายวาจาก็จะต้องไปตามเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือการประพฤติปฏิบัติสาหรับพวกเราที่เข้ามาปวด ในพรรษานี้แต่สำหรับภาคเราหมู่พเพื่อนที่บวช ท, ที่มีอายุพรรษาที่ผ่านพรรษามามากน้อย<ม>ก็ให้ต้องอกตั้งใจในระดับหนึ่งคือพยายามทำใจให้มีกฎเกณฑ์ทำใจให้มีหลักจิตใจมีหลักจิตใจมีกฎมีเกณฑ์แล้วถึงจะอยู่ในสถานที่ใดอยู่กับครูบาอาจารย์ ก็หนักแน่นเมื่อออกไปอยู่ตามลำพังตัวเองก็หนักแน่นถึงจะอยู่กับหมู่กับเพื่อนก็หนักแน่นถึงจะอยู่คนเดียวก็หนักแน่นถึงจะมีคนนักยกจองนับถือก็ไม่หวั่นไหวถ้าไม่มีใครซะเลยก็ไม่ตนกอันนี้แปลว่าผู้มีหลักใจมีหลักแต่ความมุ่งมั่นในหลักธรรมวินยัยเรื่อนมุ่งมั่นดังด้านจิตใจนั้น เป็นผู้ใยอยู่เสมอเป็นผู้ไม่ถอยหลังจนกว่าจะถึงหลักชัยคือหนทางแห่งความพ้นทุกข์เมื่อไรเมื่อนั้นไปนว่าเกมจบกันแต่ยังไม่ถึงจุดนั้นต้องพยายามไม่ถอยหลังอันนี้เพราะว่าใจมีหลักแต่ถ้าว่าใจไม่มีหลักแล้วหลักลอยอยู่แบบเลอ ะ, ะเละแหล่อยู่แบบไม่จริงจังอยู่แบบไม่เชื่อ อยู่แบบไม่มีปัญญาอยู่แบบไม่มีความคิดอยู่แบบไร้ความคิดแบบคนสิ้นท่าอยู่แบบคนตายแล้วอย่างนั้นใช่ไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้หมู่เพื่อนทุกองค์ทำปฏิบัติศึกษาลงมือปฏิบัติจริงจังเมื่อจิตใจของเรามีหลักแล้วอยู่ในสถานที่ใดไปในสถานที่ใดไม่เดือดร้อนวุ่นวาย มีแต่ความร่มเย็นผาสุขเข้าสู่จิตใจนี่แหละคือภาคปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนสุดท้ายของพระใหม่ผมเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้เกือบจะว่าทุกรุ่นที่ผ่านมาแต่ไม่ใช่ทุกองแต่เป็นสวนมากเดือนสุดท้ายเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระใหม่จะไม่ค่อยสนใจ สมารเเลเทชอบพูดชอบคุยคบค้าสมาคมเหมือนถ้าเป็นเด็กแล้ววอะเมื่อเข้ามาใหม่ก็ตั้งใจแต่พอไปนานๆก็ขาดความตั้งใจขาดความสนใจขาดความใส่ใจต่อไปก็ลักษณะที่ว่าไม่ค่อยจะปฏิบัติชอบพูดคุยกัน คุกคลีกันพูดเรื่องสัปเปหะละทั้งที่เราเป็นพระเราพูดแต่เรื่องทางโลกอย่างนี้พวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่มีไหมที่เป็นในลักษณะอย่างนั้นถ้ามีก็แปล ว, ว่าไม่ถูกต้องขณะนี้เราเป็นพระถึงจะพูดก็ต้องมีกฎเกณฑ์พบค้าสมาคมก็มีกฎเกณฑ์เป็นบางครั้งบางคราวก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ถ้าหากว่าเป็นอาชินหรือเป็นตลอดไปอันนั้นแปลว่าไม่ถูกต้องเพราะด้านขอให้พวกท่านทั้งหลายจงส้ำเนียกส้ำนักว่ายถึงผมจะเห็นและไม่เห็นก็าตามอันนั้นคือความไม่ถูกต้องท่านต้องอยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยเพราะพวกท่านเข้ามาศึกษาตั้งจิตตั้งใจแล้วว่าจะบวชในพระพุทธศาสนา ผมว่าถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจถึงยังไงการเวลาต้องผ่านมาอยู่แล้วพวกท่านไม่ต้องตกใจนี้ก็ผ่านเข้ามาเกือบจะสามเดือนอยู่แล้วพวกท่านไม่ต้องคิดให้มากไม่ต้องคิดให้เสียเวลาควรจะสร้างคุณงามความดีใส่ใจตัวเองนั่นและเป็นดีที่สุดอย่าไปคิดให้โง่ถ้าคิดอย่างนั้นคิดแบบงงๆถ้าคิดแบบฉลาดจตรงไหนที่เราจะตักตวงได้ ควรจะศึกษาควรจะฟังควรจะเข้าใจต่อไปจะเป็นประโยชน์สําหรับพวกท่านเป็นอนันตการธรรมะที่เข้าสู่จิตใจของพวกท่านแล้วจิตใจที่มีหลักเป็นครวาด์ก็เอาธรรมะเข้าสู่จิตใจไป ใ, ในสถานที่ใดก็มีความสุขรู้จักหลบรู้จักกลีกรู้จักสูงรู้จักต่ํารู้จักสิ่งควรไม่ควรถ้าเราได้ศึกษาธรรมะ เข้าสู่จิตใจแล้วเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าจิตใจไม่สู่ธรรมะจิตใจจะแข็งกระด้างไม่รู้จักบุญคุณของคนไม่รู้จักบุญคุณของบิดามารดาไม่รู้จักบุญคุณของท่านผู้มีพระคุณอยู่ก็อยู่ไปอย่างนั้นเป็นวันๆพอ พ, พ้นพรรษาถึงกําหนดที่จะต้องลาศีขา พอลาสีขาไปแล้วยังไม่ข้ามวันก็กอกสุลาเข้าไปแล้วถ้าอย่างนี้เข้ามาศึกษาไร้ประโยชน์จริงๆจำรพรรนาว ก, กะที่เขามาบวชโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างพระกรรมฐานอย่างพวกเราถ้าหาว่าผมเป็นอาจารย์ที่ผมได้ยินอย่างนั้นผมก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันที่มาอยู่ในวัดของผมเนี่ยผมกรอก ความรู้ความฉลาดแนวความคิดให้ทุกวันแต่ธรรมะไม่ซึมซาบเพราหัวใจของพวกท่านเลยถ้าสาดน้ําใส่หลังหมามันก็ยังมีซึมซาบอยู่นิดหน่อยมันก็ยังเปียกอยู่นานพอสมควรอันนี้สาดธรรมะเข้าสู่หัวใจพวกพระพวกท่านทั้งหลายพอออกไปยังไม่พ้นวัดกินเหล้าล่ะ เ <S an> อ, อาใบเยมุกเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายต้องฟังเอาไว้นะคำเลยอันนี้เป็นคําบอกกล่าวตักเตือนให้รู้จักการวางตัวถ้าว่าพวกท่านทาอย่างนั้นไปว่าการบวชในพุทธศาสนาได้ประโยชน์กับใจหลวงพวกท่านน้อยมากเพราะฉะนั้นฟังแล้วให้สําเหนียกสานึก ตรึกตรองให้ดีแต่ทั้งว่าพวกท่านทั้งหลายเอาชนะใจตัวเองไม่ได้พวกท่านจะเป็นผู้แพ้ตลอดไปตลอดถึงวันตายก็เป็นผู้แพ้อยู่ตลอดอย่างนั้นตอนนั้นต้องเอาชนะให้ได้ชนะใจตัวเองให้ได้ในการเป็นนักบวชต้องฝึกฝนต้องดูตนเองต้องดูใจทังตนเองการบวชครั้งนี้ เราปฏิบัติอย่างไรได้อะไรธรรมะของผู้ได้เจ้ามีข้อไหนอย่างไรที่เราได้ศึกษายังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้พวกท่านทั้งหลายควรจะคิดไตรตรองให้ดีนำไปประพฤติปฏิบัติใครควรทบทวนดูแล้วก็จะเกิดประโยชน์สำหรับพวกท่านเป็นอนันตการจนถึงชีวิตจะหาไม่ไม่ใช่ของผมเองเป็นของพวกท่านทั้งหลาย ผมไม่มีอะไรมีแต่แนะนำสั่งสอนท่านเองแต่ถ้าหาว่าแนะนำสั่งสอนไปแล้วพวกท่านปฏิบัติไม่ได้ทำตัวไม่ดีก็เสียเสียการแนะนำสั่งสอนเสียไปลำเวลาที่ได้มาฟังเสียไปลำเวลาในการพูดของผมอีกเพราะการพูดของผมผมพูดด้วยความตั้งอกตั้งใจอย่างที่พวกท่านเห็นนะ่ะไม่ใช่ผมอยากพูดนะผมเคยพูดอยูเสมอว่าถ้าว่าพระเขามาบวชทุกวันพระจะพูดกัน เดือนหนึ่งก็พูดเพียง4ครั้งตนเอง3มเดือนก็สิบสอครั้งน้อยเกินไปสําหรับผู้ที่เข้ามาบวชเพราะฉะนั้นเกรดความรู้แต่ละวันผมพยายามคิดไตรตรองว่าวันนี้จะพูดเรื่องอะไรไม่ใช่ของได้ไง่ายๆเหมือนกันสําหรับความคิดความรู้ของผมนะท่านอย่าว่าไปผมไม่ใช่ว่านักพูดนักแสดงเนี่ยที่คล่องแคล่วอะไรแต่ว่าอึดอาดพอสมควรในเรื่องที่จะพูด บางทีก็พูดซ้าแล้วซ้าอีกถอยหน้าถอยหลังบางทีอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ฟังคงอาจจะลาคานใจก็ได้แต่ถึงยังไงก็ตามต้องฟังในเรื่องสาระในเรื่องประโยชน์อย่าไปฟังเสียงทํานองเสียงติดอ่างเสียงอะไรแต่ฟังว่าการพูดการแสดงออกไปนี้จุดนี้มีเหตุผลอย่างไรให้ฟังเอาจุดนั้นอย่าไปฟัง เสียงเพราะสนทโสดเรื่องภาษาฟังเอาข้อความให้เข้าใจให้เกิดประโยชน์เท่านั้นละ่ะผมเองก็เป็นที่พอใจถ้าพอพวกท่านฟังเข้าใจลักษณะอย่างนั้นผมก็ไม่ได้เรียนนักพูดมาจากไหนอีกผมก็ไม่เคยคาดคิดว่าได้หมู่พวกเพื่อนจะเข้ามาอยู่กับผมมากถึงขนาดนี้อีกที่เรียกผมทำศาลาไปทําเลยชั้นล่างอย่าคิดว่าจะมีผ้าห้าหกองเท่าเองมาฉันเสร็จแล้วกับ น้ำศาสตร์ล่างหต่างองค์ต่างไปจะอยู่แบบง่ายที่สุดผมไม่ได้คิดว่าจะมีหมู่พเพื่อนมาอย่างนี้สรุปแล้วก็คืออย่างที่บอกผมคาดไม่ถึงเหมือนกันที่ว่าจะมีหมู่พกเพื่อนเข้ามาอยู่เพราะฉะนั้นการที่มาอยู่ก็ขอให้หมู่พวกเพื่อนตั้อกตั้งใจผมไม่ได้มองหวังอย่างอื่นอยากจะให้หมู่ทั้งหลายรู้ธรรมะรู้ศีลธรรมเข้าสู่จิตใจ เอาไปเป็นขวัตก็ไปใช้เมื่อเป็นขวาดแล้วก็ถ้าเป็นตำรวจก็เป็นตำรวจที่ดีเป็นราชการที่ดีถ้าเป็นพ่อก็เป็นพ่อที่ดีของลูกถ้าเราเป็นลูกก็เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ของปู่ย่าตายายอย่าให้ท่านหนักใจเพราะท่านเลี้ยงเรามาแล้วจนใหญ่ถึงขนาดนี้เลี้ยงไม่รู้จักโตเป็นเด็กอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นใช้ไม่ได้ วฉะ น, นั้นขอฝากไว้กับพวกเรานวักกะทุกท่านตลอดถึงพระที่จะเป็นครูบาอาจารย์ต่อไปภายภาคหน้าที่มีอายุพรรษาท่านไม่ศึกก็ต้องถ้าไม่ตายก่อนก็มีอายุพรรษาขึ้นไปก็จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติตัวเองแล้วก็จากนั้นก็นำไปบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปอย่างผมก็เหมือนกันผมไม่เคยคิด ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ว่าจะมาเป็นอย่างนี้การพูดแต่ละครั้งสมัยเป็นพระน้อยพระหนุ่มผมกลัวมากไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรแต่พอมาถึงจุดนี้ก็มาทบทวนพิราณาดูแล้วถ้าไม่พูดก็ยังไงอยู่ก็จะจาเป็นจะต้องแสดงความคิดเห็นหรือ่ใดศึกษามาระดับไหนเราก็พูดในระดับนั้น เพื่อให้ความรู้ความฉลาดแก่หมู่พกเพื่อนนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนานำไปเกี่ยวกับวินัยศีลสมาธิปัญญาเท่าที่ได้เรียนได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาก็สอนเท่าที่รู้เท่าที่เข้าใจแต่นอกเหนือจากนั้นก็ขอให้หมู่ศึกษา จากธรรมะปฏิบัติจากเทปหนังสือที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกกล่าวเอาไว้แล้วนะการอยู่ร่วมกันเนี่ยเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ต่อกันผู้น้อยเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่ต้องเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยก็ต้องเคารพยำเกรงเห็นผู้ใหญ่เหมือนกับพี่ผู้ใหญ่เห็นพระทีมอายุพรรษาก็เหมือนกับ น, น้องเราจะไปกันไปแกล้งเราจะไปดูถูกเกลียดหยามเขาไม่ได้ต่อไปเขาจะเป็นผู้ใหญ่ผู้หนึ่ง ต่อไปเราก็จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่ามีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันเกิดขึ้นในกลุ่มในหมู่ในคณะต่อไปภายภาคหน้าคือกินแหนงแข่งใจกันเข้ากันไม่ติดไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นสำหรับพระกรรมฐานสำหรับพระปฏิบัติเห็นกันเหมือนพี่เหมือนน้องรักกันเป็นสหธรร ม, มิกลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามีอะไรแบ่งกันอยู่กันฉันตามอัตภาพ จากนั้นก่อนจุดมุ่งมั่นของเราก็คือทางพ้นทุกข์อันนี้เป็นเพียงปัจจัยสี่เป็นเพียงเครื่องอาศัยชั่วคราวถ้าเรามามุ่งมั่นมัดถือจุดนี้เป็นจุดใหญ่เสียการเป็นอยู่ของเราอยู่ในป่าฉันมือเดียวนอนองค์เดียวเขาตั้งชื่อว่าพระกรรมฐานปฏิบัติ แล้วผลมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าถ้ามันเป็นอย่างนี้อย่างที่มันเป็นอย่างที่ผมพูดกล่าวมาเนะี่ยแปลว่าเสียเสียศูนเสียหลักเสียการทรงตัวอย่าให้เป็นอย่างนั้นให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติรักษาศีล เชื่อมั่นในตัวเองในหลักธรรมไม่ใช่เยื่อยิงจองหองไม่ใช่อย่างนั้นอย่าไปเยื่อยิงจองหองถ้าคนมีธรรมในจิตใจและจิตใจยิ่งอ่อนนิ่มอ่อนน้อมรู้จักถอดตนรู้จั ก, จกคําพูดคําพูดไหนที่จะเป็นสาระเป็นประโยชน์กับครูบาอาจารย์หมู่พเพื่อนหมู่พระใหม่พระน้อยผมเองผมก็ไม่ได้ ให้หมูทํากิจวัดข้อวัดแต่ตามไม่จริงอาจารย์โยมีอย่างพวกท่านขอเมื่อกี้เนี่ยผมถือในฐานะว่าเป็นอาจารย์ผมจะสั่งองค์ไหนให้ทําอย่างไรในฐานะอาจารย์ผมสั่งได้บอกได้ด้วยไม่เคอะเขินเพราะถือในฐานะพวินัยมีสิทธิ์ที่จะทําอย่างนั้นในพวินัยพวกท่านทั้งหลายขาดเหลือขาดตกอะไร การแนะนำสั่งสอนก็ดีการดูแลด้วยปัจจัยสี่ก็ดีการเป็นอยู่ของพวกท่านก็ดีผมคิดว่าผมทาพยายามทําให้ดีที่สุดเต็มความสามารถผมก็ถามถ่ายผมก็ดูด้วยตาของผมอีกต่างหากแล้วก็ถามถ่ายมูงพวกเพื่อนใครมีสะลุถุกสุกดิบอย่างไรหนักอกหนักใจเรื่องอะไรแล้วก็พยายามนําทำ คำสั่งสอนของครูบาอาจารย์นำทาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและกแนวความคิดของตัวเองที่ประสบาการณ์ที่พบเห็นมาบวกเข้าไปอีกเพื่ออยากจะให้หมู่พวกเพื่อนเป็นผู้รอบรู้เป็นผู้มีสติปัญญาเอาตัวรอดเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็มีแนวความคิดที่ดีแต่เมื่อเป็นผู้ปกครองก็เป็นผู้อ่านทะลุปุโปง ในเรื่องธุระการงานเกี่ยวกับผู้คนที่มาเกี่ยวข้องนี่แหละผมคิดว่าผมพยายามทำให้ดีที่สุดสำหรับหมู่พวกเพื่อนในฐานะอาจารย์แต่พวกท่านทั้งหลายที่เป็นในฐานะสิทธิ์พวกท่านทั้งหลายได้คิดอะไรบ้างแต่ผมก็ไม่ไถืออะไรนะแต่ถึงยังไงก็ตามอย่าปล่อยปะละเลยจนเกินไป ผู้น้อยถึงจะไม่ได้ทำกับผมก็ขอให้ทำกับผู้ที่รองลาดับลงไปที่มีอายุพรรษาพอจะล่างบาดแต่ก็ล่างพอจะยกมือไหวของนกยกมือไม่ใช่ว่าจะตีเสมอเคารพแต่อาจารย์องค์เดียวไม่ใช่ไม่ถูกต้องอาจารย์กเคารพอยู่แล้วแต่พี่ใหญ่พี่ก็ต้องเคารพตามขั้นตอนลงไป ที่มีอายุพรรษาในพรรษาพระคระท่านวัยอายุพรรษาหกถือว่าเป็นอาจารย์ได้สำหรับพระที่บวชใหม่ต่อไปก็เป็นครูบาอาจารย์ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าสิบพรษาขึ้นเปนก็เป็นอุปชาได้แต่ถึงยังไงก็ตามขอขอให้หมู่กเพื่อนให้ถือตามระดับขั้นพรรษาเดียวางที่ผมเคยพูดมานั่นน่ะ พระพุดธเจาท่านว่าสมัยเราเป็นลิงเป็นช้างเป็นนกกระทาเป็นสหายกันเรายังเคารพ ก, กันด้วยอายุใครเกิดก่อนใครเกิดที่หลังแต่พวกท่านทั้งหลายมาอยู่ในศาสนาตถาคตเป็นผู้รอบรู้เป็นผู้สอนด้วยสติปัญญาทำไมจึงหาความครบยำเกรงกันไม่ได้ ตีเสมอไม่รู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่ใช้ไม่ได้ขอให้พวกท่านทั้งหลายคิดไว้นะในเรื่องนี้ไปอยู่สถานที่ใดก็ตามการอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นแหละดีอย่าไปแขนงกระด้างเมื่อเป็นกรวาดก็ตามต้องรู้จักการสถานที่บุคคลบุคคลคนนี้ควรจะทำอย่างไง นะให้รู้จักถ้าไม่รู้จักบุคคลวางตัวไม่ถูกไม่ว่าครวญญาโยมข้าราชการส่วนไหนก็เถอะถ้าเข้าไปหาเลยวางตัวแบบทื่อๆไม่มีความเคารพยำเกรงเนี่ยเขาจะให้ความเมตตาได้อย่างไรเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาท่านบอกว่า ผู้ที่จะเกิดในสกุลสูงเกิดในสกุลสูงผู้นั้นต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ต่อวัยุวุฒิคุณวุฒิในภพนี้ชาตินี้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเกิดพบหน้าชาติหาจะเป็นผู้เกิดในสกุลสูงถ้าว่าใครยินดีในการให้ทานคนนั้นเกิดมาพบหน้าชาติหน้าจะเป็นผู้ไม่อดอยาก ถ้าว่าใครเป็นผู้แข่งในศินข้อที่หนึ่งผู้นั้นจะมีอายุยืนนานสิ่งเหล่านี้คืออยู่ในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดถ้าจะเปรียบเทียบดูก็ก็ใช่คนในปัจจุบันนี้ก็เถอะนะถ้าว่ามันใครมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพนับถือครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ต้องเอามารับใช้หรือออกมาดูและบอกกล่าว จะอยู่ในฐานะไหนถ้าว่าดูเอามาแล้วแข็งเกล้าทำตัวไม่ถูกพูดแบบแข็งเกล้านักกูบาอาจารย์จะผู้ใหญ่จะนับเนื่องว่าเอามาใกล้ได้ยังไงถ้าเอามากับขายขี้หน่ายพอดิสัยแข็งการพูดแข็งการกระทำแข็งใจแข็งถ้าว่าแข็งด้วยธรรมะไม่เป็นไรนะถ้ามันแข็งเกล้าแบบไม่เอาไหนไม่รู้จักสูงมารู้จักต่าใครจะเข้าไป เรียกเข้ามาใกล้ชิดได้ถ้าว่าเป็นครวญก็เช่นเดียวกันลูกน้องที่เข้ามาใกล้ลก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักสูงรู้จักต่ำํำหัวหน้าจึงจะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจเป็นที่วางใจได้ในเมื่อหัวหน้าไว้วางใจมันก็ต้องสูงขึ้นแหละทนยตำแหน่งหน้าที่การงานมันก็ต้องสูงขึ้น แต่ว่าคนที่แข็งกล้าวนั้นจะไปสูงได้ยังไงเพราะว่าดูดูแล้วมันทําไม่ถูกอะมีแต่เขาจะกดลงไปเรื่อยๆเพราะมันไม่มีสัมมาคววารวะถ้าให้พวกประเภทอย่างนั้นปกครองบ้านเมืองบ้านเมืองจะล่มจมกิบหายอย่างไรเขาคงคิดไว้แล้วดูไว้แล้วเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาแบบใครมีความอ่อนน้อมถ่อมตนผู้นั้นจะเกิดในสกุลสูงเนี่ยมันเข้าขายถ้าเราเพียบในปัจจุบันก็เข้าขาย ไม่ต้องพูดถึงอนาคตที่เรามองไม่เห็นว่าตายไปแล้วไปเกิดในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยเราก็พูดได้แล้วใครอ่อนน้อมถ่อมตนนิสัยดีรู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักกราบไหว้รู้จักบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์วัยวุทธคุณวุฒิที่เหนือกว่าแล้วก็รู้จักปรับตัวรู้จักอ่อนน้อมคนนั้นไปได้ดีไปได้สูงเพราะงั้นเถินี้ก็เหมือนกัน ขอให้พวกท่านทาั้งหลายทำตัวให้เหมาะสมนะอย่างพระที่มีอายุพรรษาก็เหมือนกันท่นี่ไม่ใช่ว่าเราจะปรับแต่ผู้น้อยผู้ใหญ่ก็ทำตัวให้ดีอย่าไปให้เขาถอนหงอกเราได้ลักษณะอย่างนั้นเนี่ยอย่าให้เด็กเขาดูถูกเราได้เราต้องทำตัวให้ดีเป็นตัวอย่างของเขาสิ่งไหนควรพูดถึงไหมไม่ควรพูด สิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำสิ่งเหล่านี้ก็เป็นหน้าที่ของพระผู้ใหญ่ที่มีอายุพรรษาต้องคิดไว้อยู่เสมอคิดไว้ในใจเสมอต้องปรับปรงตัวให้ฟิตอยู่เสมออย่าให้เขาดูถูกเราได้เขาเป็นผู้น้อยไม่ใช่ว่าจะเราจะมองแต่ผู้น้อยก็ไม่ได้ผู้ใหญ่ไม่น่าเคารพเขาก็ไม่เคารพไม่ลงเหมือนกันถึงจะเขาเคารพแต่ข้างนอกแต่ข้างในใจเขาก็ไม่ลงเหมือนกัน เพราะนันให้เขาเสนิทใจทั้งสองด้านทั้งกายทั้งใจด้วยสิ่เหล่านี้ก็ขอให้พวกเราทุกท่าน่ะที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าก็ขอให้พวกเราคิดช่วยกันปรับปรุงกายใจของเราให้อยู่ในยึดหลักธรรมยืนในหลักธรรมวินัยเป็นหลักนั่นนะอสําหรับผู้น้อยแบ็ดูนะ การพูดอะไรออกไปล้อเล่นกับผู้ใหญ่หรือพูดปาหมาดพูดแบบอาจารย์พูดกับลูกศิษย์พูดแบบนักเลงใช่ไม่ได้นะขวางมันขวางทำไม่ใช่ขวางอย่างอื่นอย่าให้มีอย่างนั้นไปอยู่ในสถานที่ใดก็าตามถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นก็ควรจะหาหรือกันปรึกษาปรารบกันไม่ใช่ว่าต่างคนต่างโยนแล้วก็แตกแยกสามัคคีเป็นหมู่เป็นกกเป็นเหล่าใช่ไม่ได้อย่างนั้น จุดมุ่งหวังของเราไม่ใช่อยู่เพียงเท่านี้จุดมุ่งหวังของเราคือทางพ้นทุกข์อันนี้คือเป็นห้นทางการอยู่ร่วมกันจะทํำยังไงจึงจะมีความพร้อมเพียงสมัครีทำยังไงจึงว่าปุกขระสัพพายะหมู่พวกเพื่อนบุคคลเป็นที่สบายไม่มีความเห็นแกนแย่งกันเป็นผู้มีความเห็นพร้อมเพียงสมัครีกันในทางธรรม ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนจุดใดก็หันหน้าก็หากันปรึกษาปรารุปกันมีผู้น้อยมีผู้ใหญ่เชื่อฟังกันไม่ใช่ว่าผู้น้อยกระดันพลังไม่ยอมฟังใครไม่มียอมเหตุยอมผลใช้ไม่ได้ถึงจะผิดใจตัวเองขนาดไหนก็ต้องเมื่อเหตุผลลงไปเมื่อตัดสินลงไปแล้วก็ต้องฟังมันเสียหายมากน้อยแค่ไหนถึงโทษประหารขนาดนั้นเชยละ ถ้าว่าถึงโทษประหารขนาดนั้นก็เออยอมรับไม่ได้เราก็ต้องสู้อย่างสุดแต่ไม่ถึงขนาดนั้นก็ต้องยืดหยุ่นต้องยอมรับไปก่อนต้องฟังไปก่อนฟังเหตุฟังผลฟังหน้าฟังหลังไม่เห็นเสียหายอะไรยอมทิพถิลดทิฐิมานะในใจของรนตนเองลงคนน่้นก็ลดลงคนนี้ก็ลดลงเรื่องทั้งหลายก็จะไม่มี แต่ถ้าว่าที่ถีมันะออกมาชนกันใครก็ว่าใครแน่ใครก็ว่าใครเก่งใครก็ว่าใครรู้ใครก็ว่าใครเข้าใจใครก็ว่าเชื่อมั่นในตนเองว่าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเรื่องมันจะเกิดเกิดเป็นยังไงผลี่สุดก็ลงหมัดลงมวยกันด้านธรรมบัณฑมันเป็นอย่างนั้นอันดับที่แรกก็มันชกกันในใจเสก่อนต่อมาก็ชกด้วยวาจาต่อมาก็ชกด้วยําปั้นสอกเข่าอะไรท่านนี่นหลากค้อนหลักไม้มาตีหัวกันลําบาก มันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉนั้นอย่าให้เกิดมีในพระของพวกเราต้องฟังต้องศึกษาต้องมีเหตุมีผลต้องใช้ปัญญาอย่าไปใช้ทิฐิมานะทิฐิมานะมันไม่ใช่ของดีหรอกเกิดในสถานที่ใดก็ไม่ใช่ของดีเห็นกันผาเถียงกันหน้าดาหน้าแดงคนอื่นเห็นก็เพียนนี้แหลวเนอ่ ไปเห็นหมามันก็แฮ่จะกัดกันมันก็ดลำคาเยิ่งกว่าอะไรถ้าเห็นกันยิิ้นแยนเแจ่มาสมีอะไรปรึกษาปรารถกันมีอะไรก็พูดกันเข้าใจกันได้นั่นหละทำเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านถึงจะไปอยู่ในสถานที่ดีก็าตามจะเป็นครวาคก็าตามจะเป็นที่ไหนก็าตามต้องใช้หลักเหตุผลอยู่ในจิตใจของเราอย่าไปใช้อารมณ์โกรธ โธโสโมโห و. ถ้าเราทำดีให้แก่เขาเขาก็ต้องทำดีให้แก่เราถ้าเราทำชั่วเราคิดไม่ดีกับเขาเขาก็คิดชั่วกับเราอันนี้คือการเป็นอยู่ร่วมกันส่วนด้านจิตใจจิตภาวนานั้นก็เคยพูดมามากต่อมากสติเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิง่งพอขาดสติมันก็ขาดปัญญา การไขควรทบทวนพิจารณาสำปัญญะความรู้ตัวก็ขาดไปเมื่อขาดสติแล้วดันั้นขอให้พวกท่านทุกท่านพยายามให้มีสติอยู่กับตัวเองพยายามนั่งภาวนาทบทวนดูสิ่งที่ขาดตัวปกพ่องอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนั่งมันทั้งคืนไปไงทบทวนดูไปไงมันดีมันขาดหรืออะไรบ้าง ที่มันผ่านมานะมันเป็นอะไรเพราะทําไมทบทวนดูใจของของเราทุกๆท่า น, น, นให้มีสติให้ภาวนากรรมฐานไหนที่เราเคยประพฤติปฏิบัติกันยึดเข้ามาภาวนาแต่ไม่ควรจะขาดก็คือมรณะนุสตินะมรณะนุสตินี้ควรจะกากับไว้อยู่เสมอ ถ้าคนไม่ระลึกถึงความตายเนี่ยมันลืมหลงตัวได้ง่ายๆว่าเราเป็นบุคคลสำคัญเราจะอยู่ในโลกนี้ชั่วฟ้าดินสลายใครๆก็ยกย่องนับถือว่าเราเป็นผู้เก่งกล้าสามารถทาไมร ะ, ะลึกถึงความตายมันไปอย่างนั้นกิเลสมันพอกพูนแต่ถ้าาว่าเราระลึกถึงความตายอยู่เสมอคิดถึงความตายไว้อยู่เสมอถึงมันจะมีอย่างไงเกิดขึ้นมันก็ยัง รู้เท่ารู้ทันยังรู้จักความพอเหมาะพอดีว่าทุกคนจะต้องไปในจุดเดียวกันคือความตายแล้วก็จะต้องตายเขาจะต้องตายจะไปถือโทษโกรธเคืองจะไปถือเอาเป็นอาตายอะไรมากนักหนาอันนี้สําหรับพระกรรมาฐานและถ้าใครม่ระ ล, ลึกถึงความตายแต่ว่าใช่ไม่ได้เลยละ่ะความตายต้องระ ล, ลึกไว้อยู่เสมอจากนั้นก็อจุภระ อสุภะนะั้นมันแยกแยะดูมันจะตัดกรรมมาลาคะกรรมมากิเลสกิเลสลาคะรักเพศหญิงเพศชายถ้าเราแยกแยะดูแล้วมันมีแต่อสุภะปฏิกูลเนื้อหนังเอ็นกระดูกมีแต่มูดมีแต่กรีดเต็มไปในกระเพาะลําไส้มันหลั่งไหลออกมาจากทวารทั้งเก้าขี้ตาขี้หู ขี้ดังขี้จมูกขี้ปากขี้ลิ้นแล้วก็ขี้ใครขี้ตัวเองแท้ๆบอกว่าไปถามว่าขี้ใครนะมันออกจากกายตัวเองแท้ๆแต่ถ้าว่าใจของเราเป็นความชั่วทําความชั่วที่อีกก็ขี้โกรธขี้โลภขี้หลงมีแต่ขี้เต็มหัวใจอีกมันจะมีแต่ขี้อันจะมีสาระอะไรมีประโยชน์อะไร แต่ว่ขี้วัวขี้ควายเขาจะไปใส่ต้นไม้จะเกิดประโยชน์แต่ขี้ของเราอย่างที่ว่านะมิจะโทษทั้งนั้นให้เราพิจารณานะพิจารณาให้ภาวนายึดกรรมฐานไหนพุทโธอยากจะให้สงบคนยึดพุทโธเป็นหลักหรือกรรมฐานใดก็ได้ที่เราถนัดยึดให้แน่นให้มีสติ อยู่กับกรรมฐานนั้นอย่าให้เผลอสติสัมภัชัญญะคือความรู้ตัวเรานึกคิดเรื่องอะไรการกระทําของเราทำอะไรอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้การฉันการเดินการไปการมาตอนเช้าเวลาเดินบิดาบาอยาไปคุยกันเคยพูดมาตั้งแต่ที่แรกตั้งแต่ครั้งแรกแล้วการเดินบิดาบาดเคียงคู่กันเหมือนกับขอทานไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของสมมณนะ ต่างองต่างเดินเดินพุทธโธพุทธโธขาขวาชดขาซ้ายโธพุทธโธพุทธโธดูใจของตนเองอันนั้นเรื่องสัมณะเรื่องพระของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นการเคลื่อนไหวทุกอย่างต้องมีสติให้มีสติสัมปชัญญะในการเดินพิษบาศก็มีสติเวลาเข้ารับบิณฑบาตก็มีสติรับเดินไปก็มีสติปิดบาทก็มีสติการเข้าไปก็ให้สัมรวมดูในบาศ เปิดบาทก็ดูในบาทอย่าไปดูหน้าผู้ที่ใสบ่บาทดูหน้าทายกทายิกาเขาดูมองดูในบาทบริกรรมพุโทโธไปด้วยในขณนะที่เราบิดนบาบใจเราคิดเรื่องอะไรนู่นตามดูใจของตนเองอีกนี่แหละสาหรับนักปฏิบัตินักภาวนาต้องได้คิดถึงอย่างนั้นต้องคิดทาอย่างนั้นจากนั้นเวลาฉันก็ต้องห้ดูมีสติในการฉันอีก มันเป็นยังไงความพอใจไม่พอใจลิ้นมันสัมผัสอาหารมันเป็นยังไงพวกเราได้คิดบางหรือเปล่าในสิ่งเหล่านะั้นนี่แหละเรียกว่าสัมปชัญญะคือความรู้ตัวสำหรับผู้ปฏิบัติอันนี้คื อ, คอเบื้องต้นที่เราจะต้องมีสติกับตัวเองให้ภาวนาจากนั้นก็ ให้ภาวนามรณะนุสติรละลึกถึงความตายที่จะมาถึงตนไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งแน่นอนอาจจะหลับตายไปก็ได้อาจจะกลับไปขืนกุฏินี้อาจจะตายก็อาจจะงูกัดก็ได้ความตายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะนั้นเราต้องภาวนาเรื่องความตายไว้อยู่เสมอถ้าคนภาวนาความตายแล้วมันเรื่องมันเล็กนิดเดียวเองมันเรื่องมันไม่ใหญ่หรอกมีแต่มุ่งหวังเรื่องอัทธธรรมทั้งนั้น ถ้าว่าคิดว่าตัวเองไม่ตายนะโอ้โหอ่อันไหนก็ผิดไปหมดจะเป็นใหญ่ทั้งหมดมันจะเป็นใหญ่อะไรใครเป็นใหญ่เห็นไหมเห็นเผาไปทุกคนตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเผามาเป็นลำดับลาดับอีกวันหนึ่งเขาก็าต้องเผาเราแน่ๆว่ะนี่แล้วนึกถึงความตายไว้อยู่เสมอ จากนั้นก็พิจารณาแยกแยะส่วนร่างกายแยกส่วนแบ่งส่วนในร่างกายของตนเองถ้าแยกส่วนแบ่งส่วนแล้ะอสุภะปฏิคูลมีในร่างกายแล้วจะไปลักกําหนัดยินดีในรูปได้อย่างไรในเมื่อเราเพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วนี่แหละในเมื่อเราเห็นอนสุภะร่างกายของเราแล้วเราก็จะไปเกิดกิเลสการ ม, มาลาคะ รักสวยรักงามรักหญิงรักชายได้อย่างไรเยจากนั้นก็ย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้อีกตัวใจที่ไปรู้ว่าพุโทโธก็ดีระลึกถึงความตายก็ดีระลึกถึงแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายก็ดีใครเป็นคนรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นใครเป็นคนรู้เอใครเป็นคนเห็นที่เรากําหนดอย่างนั้น มันก็ออกไปจากใจของเราทั้งหมดดูที่ใจเทนีทบทวนดูที่ใจเกิดโทสะขึ้นมาเกิดขึ้นมาจากใจเราไปให้ความสำคัญเราไปสำคัญผิดเราไปยกย่องเชิดชูเราไปให้ความสำคัญเมื่อผิดหวังหรือเข้ามาทำให้เรา หรือเขามาพูดให้เราหรือแสดงอากับกิริยาต่อเราหรือเราพูดไปเขาไม่ยอมรับเขาปฏิเสธใจเราเป็นยังไงทีนี้มันก็ดูที่ใจใจมันร้อนนะโทสะนาะโทสะนี่เห็นได้ชัดนะร้อนนะร้อนก็รู้รว่าร้อนทีนี้ เราก็มองทางนอกอีกมองทางในอีกเราจะให้ความสําคัญเขาถึงขนาดนั้นเหรอมันได้อะไรมันเกิดประโยชน์อะไรที <Okay. S 1> นพอเรารู้ต้นตอของมันเลยไม่วางมากก็ต้องวางน้อยเลยยัมาดูกิเลสอีกลาคะในใจของเราอีกความรัก <Okay. S 1> ความกําหนัดความยินดีแต่ขนาดใจของเราขนาดกายของเราเราจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว ทำไมเราจะไปให้ความสําคัญคนอื่นคนอื่นไม่เป็นอย่างเราเหรอแล้วมันเป็นอย่างเราไหมถามใจของเราแต่จเจพีนากายของเราเราก็ยุ่รู้แล้วว่าอ่ามันเต็มไปด้วยสุภปฏิกูลแต่คนอื่นหรอเป็นไหมมันก็เปลี่ยนถ้าเป็นแล้วจะไปให้ความสําคัญกับคนอื่นได้อย่างไรขนาดตัวเองมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแตเรื่มก็เบื่อหน่ายในใจของเราเองมารู้ตามความไปกิงทั้งข้างนอกทั้งข้างใน ข้างนอกก็คือคนอื่นทั้งในก็คือกายวาจาใจของเราเนี่ยในเมื่อมันรู้ตามความเป็นจริงแล้วสิ่นี้ใจต้องคลายต้องถอดต้องถอนต้องเบื่อต้องหน่ายมันรู้ตามความเป็นจริงแล้วเหมือนกับ น, นี้มันไม่มีสาระไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกับคว้าน้ําเหลว อ, อย่างนั้นแหะเราไปให้ความสําคัญมันเท่านั้นเองมันจึงสําคัญขึ้นมา ถ้าเราไม่เหตุความสำคัญมันก็ไม่สำคัญนี่แหละในเมื่อเราเพิจารณาถึงจุดนี้แล้วผมว่าไม่วางมากมันก็ว่างน้อยเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะรู้ตามความเป็นจริงแล้วก็มันก็ต้องหาเหตุและผลมันจะไม่กระเพื่อมทางด้านจิตใจจนเกินไปจนเป็นทุกข์เป็นร้อนจนเศร้าซึม ร้องห่มร้องไห้กับสิ่งภายนอกเรันขอให้พวกท่านทั้งหลายที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ให้เป็นแนวความคิดแล้วก็นำไปพิจารณาไม่ใช่พูดให้ฟังแล้วกระจบเพี่นั้นไม่ใช่ผมอยากจะพูดนะพูดให้พวกท่านทั้งหลายฟังแล้วก็นำไปพิจารณาไม่ใช่พูดให้เสาสาราฟังพูดให้พวกท่านทั้งหลายที่นั่งเนี่ยฟังเมื่อฟังแล้วก็ ไปไข้ควรไตรตรองพิจารณ า, นานดูเหตุและผลจึงไหนที่มันดีก็นํามาปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราอีกสักวันหนึ่งพวกเราก็จะเป็นพระที่ดีเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาอย่างน้อยกับตัวเองนั้นเป็นที่ยอมรับใจตนเองถึงใครจะไม่ครบนับถือใครจะไม่ยกย่องเชิดชูก็ตามเรารู้แก่ใจของเราเราเป็นพี่ยอมรับเรา แล้วก็เป็นที่พอใจแล้วใครจะยกย่องเชิดชูนับถือก็เป็นเรื่องของเขาหัวใจของเขาแต่เราคมเป็นที่พอใจเราเรามีความสุขมีความเย็นใจแล้วนั่นแหละผู้เชื่อมั่นในตัวเองต้องเป็นอย่างนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน ต, ออตั้งอกตัางใจผมพูดทางนี้ทางนั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นการดูถูกเหยียดหยามไม่ใช่ว่าลังเกียจเตียดสดันหรือว่ากระทบกระแทก ตาไม่จริงกระทบกระแทกมันก็ต้องมีอยู่บ้างเพราะว่ามันกิเลสเนะี่ยกิเลสมันเหนียวแน่นกิเลสมันอยู่ในหัวใจทํำไ้กระทบเนะี่ยมันจะไม่สํานึกมันจะไม่คิดมันต้องมีบ้างบางจุดนะต้องกระทบนะทาไมกระทบเนะี่ยกิเลสมันจะไม่แตกเนราะงั้นเต่ธรรมะเนี่ยมันก็ต้องกระทบเหมือนกันสิ่งที่มีเหตุผลต้องกระแทกเข้าไป กิเลความชั่วช้าลามกในจิตใจมือจะได้กระเด็นออกไปจากใจของเราเราจะเอาธรรมะเข้ามาคุ้มครองจิตใจของเราใจของเราจะได้รับความร่มเย็ยนผาสุกน ะ, นะการพูดวันนี้ก็เห็นว่าสมควรพอจบเพียงเท่านี้